ไม่เนี่ยเวลาเราเห็นคนเดินมาเรามองเขาเนียใจเราพิงไปอยู่ที่รับเราลืมตัวเราเองรูออกไหมอย่างนี้เรียกว่าหลงดูเวลานั่งอยู่เฉยๆก็เที่ยวคิดไปบางทีก็รู้เรื่องที่คิดแต่ขนาที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยลืมตัวเองอีกละลืมลืมรู้สึกกายรู้สึกใจนี่ก็เรียกหลงเหมือนกันเนี่ยขนาดเนี้ยหลงคิดดูออกไหม จิตมันหลงมันหลงทั้งวันอะ่ะนะคนที่รู้สึกตัวจริงๆหายากแทบไม่มีเลยอย่างเนี้ยหลงคิดไปแล้วนะหนีไปแป๊บรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจเนะี้ยศัตรูของความของการปฏิบัติธรรมที่จะรู้กายรู้ใจนะก็คือความไม่มีสติ น, นี่เองความเผลอไปลบเลือนไปหลงไปอยู่ที่อื่น เหลงไปดูเห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองนะได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันข้างบ้านเราแหมเราก็ได้จิ๊บสะโสดเขาคุยอะไรได้ยินหมดเลยนะตั้งอกตั้งใจฟังเ น, นี่ยขณะที่ตั้งใจฟังคนอื่นลืมตัวเองขณะที่ ค, คิดคิดคิดนะบางทีรู้เรื่องที่คิดแต่ก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจรู้สึกไหมหนีแว บ, บแว บ, บหัดอย่างนี้ ้อเราจะทํานิพพั ส, สนาเราต้องรู้ใจรู้ใจการรู้กายรู้ใจนี้แหละเรียกว่ารู้ทุกพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่การปฏิบัติทำถ้าออกนอกกรอบของอริยสัจสี่เมื่อไหรผิดเมื่อ น, นั้นถ้าจะทำนิพพั ส, สนาแล้วก็ออกนอกกรอบหมายถึงท่านบอกว่าทุกนให้รู้ทุกคือกายกับใจคือขันห้าเนี่ยคือตัวทุกเรามีหน้าที่รู้มันสมุทัยคือตัวความอยากไม่ให้ละซะ ความอยากที่เราเรียนตามตำร า, ามันจะมีสามตัวนะการ ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ความอยากในเชิงปฏิบัติเนี่ยตัณหาในสติสัตฐานมีหกตัวคือความทยานอยากในรูปอยากดูรูปอย่างเห็นคนเดินมาไปดูเขาเนี่ยใจมันทยานไปอยู่ที่เขาเนี่ยมีตัณหาทยานไปแล้วลืมตัวเองงั้นท่านไถละจ้ะนั่งอยู่เฉย ใจไหลไปในโลกของความคิดเรียกว่ามีธรรมะตันหาคือมีความอยากในธรรมารมนะอยากได้ในธรรมารมใจก็ไหลไปอยู่กับความคิดลืมตัวเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องละนะก็คือการที่ใจไม่ตั้งมัน่น ใ, ใจไหลไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะส่วนนี้ต้องละจนะถ้าใจเราไม่ไหลไปใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมันม่นขึ้นมามีสัมมาสมธิ พอใจตั้งมั่นแล้วเราก็รู้กายรู้ใจได้แต่ใจหนีไปเที่ยวก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็เท่านี้เองนะเมื่อเราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยเขาจะแสดงกรรมะให้เราดูเขาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแสดงความทนอยู่ไม่ได้แสดงการบังคับไม่ได้อย่างเราบังคับไม่ได้นะอย่างกายเราเนี่ยเรานึกว่าบังคับได้ลองหายใจเข้าอย่างเดียวสิอย่าหายใจออกนะบังคับไม่ได้หรอก นั่งอยู่ท่าเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวความทุกข์มันบีบคั้นต้องขยับหนีมันจิตใจเราเขาบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รา้ายก็เรียนไปเรียนเห็นว่าบังคับไม่ได้เป็นอาณตปาเห็นบังคับไม่ได้มันก็คลายความยึดถือเราก็ไม่ต้องดิ้นโลนเกินความจำเป็นมีความสุขในขณะนี้ไม่ต้องดิ้นไปหาความสุขในอนาคตนั่งอยู่ก็นั่งอย่างมีความสุข เดินก็เดินมีความสุขทําอะไรก็มีความสุขอยู่หนีไปแล้วทราบไหมดูออกไหมทห้หัดอย่างนี้นะจิตของเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ต้องหัดให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินเรื่องศีลสมาธิปัญญาไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ว่าตรสิกขา คือบทเรียนทางศาสนาพุทธมีสามบทคือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าศีลศศศสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเรียนเพื่อให้จิตตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ให้สงบนะสงบแตบตั้งมั่นไม่เหมือนกันส ม, สมาธิคือจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นรู้ไหมนีไปแล้วแต่ว่าอย่าไปบังคับให้ตั้งนะไม่บังคับให้ตั้งให้ความประหลาดอยู่ตรงนี้ จะเรียนเรื่องจิตตั้งมั่นแต่ไม่บังคับให้มันตั้งนะคอยรู้ทันตอนที่มันหนีปนไปนั่นแหละเหนืยมมันตั้งเองเนี่ยมันหนีลนะหรือไม่ดูออกไหมไม่ทันต้องไม่ทันนะห้ามดูทันนะเจ้าหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังเพราะในขณะที่หลงจะมีสติไม่ได้นะสติต้องเกิดทีหลังแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกให้ตามรู้ ให้ตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้ไปอย่าไปดักรู้ไว้ก่อนไอ้พวกที่เริ่มนั่งปฏิบัติก็เริ่มนั่งจ้องเนี่ยพวกดักรู้รอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างกายานุปัสสนาราะว่าการตามรู้กายกายาอนุปนัสสนาเนี่ยปัสสนาราะว่ารู้อนุเราะว่าตามตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิต เนี่ยมันหนีไปแล้วรู้ทีหลังถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยจิตหลงไปขณะนี้รู้สึกรู้สึกได้แว บ, บเดียวหลงอีกแล้วตอนนี้หลงคิดแล้วรู้ไหมนะมันเนี่ยมันจะรู้สึกได้แว บ, บเนี่ยวตั้งขึ้นมาแว บ, บเดียวนะแล้วหลงใหม่เราจะเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเลยเนี่ยหนีไปแล้วไปแล้วดูออกไหม ดดููบอกแล้วรู้ไหมแต่ต้องบอกแล้วรู้ใช่ได้แล้วบอกแล้วยังไม่รู้อีกแล้วนะ อ, อาการหนักนะ <c oughs> เนี่ยหนีแงบบ๊บหัดอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นเลยว่าจิตของเราเนี่ยบังคับไม่ได้ดูออกไหมบังคับไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็นีเี่ยแสดงธรรมะให้เราดูแล้วบังคับไม่ได้เฝ้ารู้ลงไปนะ วันหนึ่งก็จะเห็นความจริงว่า อ, อ้กายก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่เห็นมาไม่ใช่ตัวเราสักยะที่สี่ก็ขาดเมื่อ น, นั้นเองนะเขาสมมุติเรียกว่าพระโสดาบันเราจะไปวัดภาพพระโสดาบันคืออะไรที่ยากยากลึกลับซับซ้อนห่างไกลพระโสดาบันคือคนที่รู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริง นี่เราอยากรู้ความจริงว่ามันบังคับได้หรือไม่ได้ก็ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้หรอกเรี่ยของจริงมันยันให้เราดูแต่ถ้าเราใส่คิดคิดเอาเนี่ยเราไม่เห็นของจริงไม่เห็นกายไม่เห็นใจเห็นแต่ความคิดความคิดไม่ใช่ของจริงใจจะยอมรับความจริงไม่ได้ไม่ยอมจํานวนกับข้อเท็จจริงหนีไปทราบไหม รู้ได้อย่างว่าวันวันหนึ่งเราไม่เคยรู้สึกตัวถ้าใครมาเรียนที่นี่สักพักหนึ่งนะจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราแทบไม่เคยรู้สึกตัวเลยเราอยู่ในโลกของความฝันแทบทั้งวันนะตื่นแต่ตัวแต่ใจนั่งฝันไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่เคยอยู่กับความเป็นจริงไม่อยู่กับปัจจุบันเรารู้ธรรมะไม่ไดนะ้รู้แต่จินตนาการฝันเอาคิดถึงธรรมะก็ฝันเรื่องธรรมะไม่ใช่ของจริงรู้ธรรมะไม่ได้จริง มันต้องตื่นขึ้นมาต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมารู้กายรู้ใจเอาโอ้วันนี้เยอะนะเหมอกกับฤดูหนาวเ <c oughs> นี่ยคอยรู้เล่นๆ น, นะอย่ารู้จริงจังนะสองคุณไปไปเฝ้ามันละอย่าเฝ้ามันอย่า ก, กลัวหลงนะนี้พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปเราถึงจะเรียนเรื่องทำยังไงจะรู้สึกตัวได้บ่อยวิธีรู้สึกตัวได้บ่อยก็คือการจเจริญสติปัฏฐานนะค่อยเรียนเป็นบทเรียนต่อไป บทนะเรียนที่หนึ่งาหารรู้สึกตัวให้ได้ทําความรู้จักว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตสิกขาถัดจากจิตสิกขาก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะน้อมจิตที่ตั้งมั่นเนี้ไปเจริญปัญญาทําไงจะตามรู้กายตามรู้ใจสี่เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษากายวาใจใจให้เรียบร้อยนะ ส่วนมากก็จะบอกว่าศีลเป็นเรื่องของกายกับปาจามันจรงมาออกไปจากใจมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งของนักปฏิบัตินะเรียกว่ายินเสียสังวรศีลมีสติเข้ารู้อยู่ที่ใจของเรานี่กิเลสครอบงําไม่ได้นะศีลมันเกิดเองอย่างราคะไม่ครอบงําใจเนี่ยไม่เป็นชู้กับใครแนะ่โทสะไม่ครอบงําใจไม่ฆ่าใครเนี่ยศีลเกิดอยู่ที่ใจเราได้ สมาธิก็คือการที่ทำยังไงใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันใจที่ตั้งมั่นรู้ตัวเนี่ยพร้อมที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเอาใจที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมาคอยตามรู้กายตามรู้ใจนะมาเรียนเรื่องกายกับใจดูซีเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ที่บทเรียนสามบทนะ ถ้าเรียนแล้วเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้ใจมันยอมรับความจริงอันนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันฉะั้นเรียนปฏิบัติธรรมต้องรู้จุดมุ่งหมายนะจะได้ไม่เปะดปาออกข้างทางอย่างั้นพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็คิดถึงการนั่งซึมๆวัในไหนซึมได้ที่แบบปฏิบัติดียิ่งพวกเปิดเทปเนี่ยบางคนอัดเชาอาผัดเทปได้เปิด ถ้าเปิดแล้วลืมตาฟังก็ไม่เท่าไหร่บางทีชอบนั่งกลางคืนชอบนั่งเปิดเทปแป๊บเดียวก็เคลิม้มกลายเป็นฝึกเคลิม้มฝึกเคลิ้มไม่ดีนะต้องฝึกรู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกเคลิมหนีไปละจะหนีอีกอ่ะรู้ไหมดูออกไหมว่าจิตยังไม่เคยอยู่กับตัวเลยนะแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเพราะงั้นรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำนีปัสนาไม่ได้ ถ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่มันกลายเป็นสมถะหมดเลยเพราะวา่าหลงไปเขาหลงไปเ็ารู้ได้แค่บรร ญ, ญัตสมถะไปรู้บรร ญ, ญัตอย่างนะวิปัสสนาต้องมารู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามหนะหนีไปละเห็นไหมมีการหนีเหมือนกันเหน็นไหมเหมือ น, นจับปูใส่กระด้งไหมนะหนีตลอดหนีหนีนีนนะ่หัดรู้ความจริงนะ รู้ความจริงของตัวเราเองศาสนาพุทธไม่ได้เรียนอะไรมากมายเรียนเรื่องตัวของเราเองจะรู้ว่าความทุกข์มันเกิดได้ไงความทุกข์ทางกายเกิดได้ไงความทุกข์ทางใจเกิดได้ไงค่อยเรียนไปไงแตนเป็นเงินบ้างเลิกตั้งท่า ย, ยัางอืม hmm. ดีที่รู้นะยังตั้งท่ายอยู่ อ้าวกุ้งเตืนพวกเป็นไงมั่งพวกวันนี้รู้สึกตัวบ่อยขึนะ้นไหไปอยู่ด้วยกันที่เนี่ยคุยกันตั้งคืนไหมเป็นนั่งคุยกันหรือหรื อ, รอนั่งปฏิบัติ <c oughs> พวกนั่งปฏิบัติพอไปรวมกลุ่มนะชอบคุย คุยแบบคุยธรรมะเนี่ยพอถูกครูบาอาจารย์ว่านะบอกเสียงนะมงคะสนทนาทําตามการเป็นมูคนอย่างยิ่งยิ่งสนทนาทั้งวันทั้งคืนอัปมงคลนะต้ <c oughs> สนทนาตามการแม็กหนีนะขนาดเรานั่งไปรู้สึกนะมันยังหนีเลยถ้ไปนั่งคุยเยอะๆเลยห น, นีหมด สมัยพุทธการพอมาเรียนบางทีเรียนพร้อมๆกันเยอะแต่พอเรียนพอเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วต้องแยกย้ายกัยกกนสมัยพุทธการท่านเลยไม่จัดคอร์สนะ <c oughs> แยกแย้ายกันไปทําอา <c oughs> ในคำทีมีเยอะเลยเรื่องวัดป่าบางแห่งย่านโยมที่อุปถากวัดอุปถักพระกลางวันเกิดมีธุระเข้าไปที่วัดนึกว่าพระทะเลาละกัน ตางคนตั้งหายไปหมดเลยเหงอนวัดร้างเงียบแค่ไมมารวมกันเนาะเราก็อย่าไปรวมกันบ่อยตั้งใจแล้วทราบไห ม, ไมเรียกว่าตั้งค่าปฏิบัติตั้งค่าก็ไม่เอาของปลอมนตั้งค่าเนี่ยมันเกิดจากเราจะคอยดูว่าอะไรจะเกิดคืออยากคอยดูให้ตามดูอย่าดักไว้ก่อน หนีพี่คิดซึํปล่าไหมคุณพี่ใส่เสื้อมิสูอ่ะเนี่ย <c oughs> ใ, ใจมันหนีแวบคอยรู้ทันมันนะให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวแต่เราบังคับไม่ได้นะมันอยู่ได้ขนาดเดียวแหละะถ้าตามตำราเ้าบอกอยู่ทีละเจ็ดขณะจริงอยู่ได้นิดเดียวคณิกะสมาธิเท่านั้นสมาธิอย่างนี้เอาไว้ทํำวิปัสสนาสมาธินิ่งๆเคลิ้มๆงอกแงกแง ก, งกใช้ไม่ได้เนี่ยหนีแวบดูออกไหม มนีไปคิดแล้วรู้ไหมหนี่คนตรงนี้เขามีสองประเภทนะพวกหนึ่งเขาเขาหนีไม่นั่งข้างหน้าพวกหนึ่งแย่งกันนั่งข้างหน้าแลวเต่จะเลือดอ่ะมึงคนมนนั่งแล้วเครียดไปละข้างหลังมาจากไหนกันคุณน่ะแล้วมากับใใครพามา หลือรู้จักได้ไงเนี่ยเอาเหรอคุณเป็นสีหน้าแกมเอาไปอ่านเฉยเลย <c oughs> มีเลขศูนย์หนึ่งมาขอนะบอกพยานเลยเดี๋ยวคนรู้จักคุณเป็นสีแกไม่ขอเนี่ยแกไปอ่านเลย <c oughs> เป็นไงบ้างหายเป็นนานรู้สึกตัวได้ดีขึ้นไหม อย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งทำอะไรนะเราบางทีเราถูกรุ่นพี่ถ่ายทอดให้เริ่มต้นก็ต้องทำจิตอย่างงั้นทำจิตอย่างนี้ทำมันทำไมรู้ไปตามที่มันเป็นสิธนะลองง่ายเอาพิชติตชายเลยเน่เอไปแล้ว ทั้งสองคนเลยนี่ยังไม่เลิกเลยนะเนอะรูออกมาอย่างนี้ความรู้สึกตัวอยู่ข้างนอกนี้ไม่ได้อยู่ข้างใน เ, เดี๋ยวเราพักกัน